Bye. <laughs> แพรเทศหลวงพอ่อทีวิจิตะธรรมะเรื่องเห็นทุกจึงจะพบทางออกคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อเกิดก็ต้องมีแก่เมื่อแก่แล้วจะต้องเจ็บเมื่อเจ็บแล้วจะต้องตายสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกพ้นไปได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็นนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องคอยให้แก่ให้ตายสัตว์โลกทั้งหมดรวมทั้งคนนั้นปรารถนาความสุขในกรณีของคนนั้นปรารถนาความสุขคือพระนิพพาน พระนิพพานที่ว่านี้เป็นการสิ้นสุดการเบียฑบา้ตายเกิดใครก็คงจะปรารถนาอย่างนั้นแต่ความเป็นอนิจจังคือการเกิดขึ้นแล้วดับหรือตายเกิดขึ้นแล้วตายอย่างหนึ่งความเป็นทุกขังคือความแก่และความเจ็บนั้นเป็นทุกข์ขัดจักทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและข้ามพ้นมันไปได้ มันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าหากเข้าใจความจริงอย่างนี้จงค้นหาเหตุและผลต้นเหตุของมันให้พบและถอนเหตุมันออกการที่เราจะต้องมาเวียนทุกเวียนตายอย่างนี้ก็สามารถสิ้นสุดลงได้ถ้าใครก็ตามเข้าใจแจมแจ้งถึงวัตจับแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเห็นว่า เป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ซึ่งทุกคนปรารถนาจะพ้นไปจากมันย่อมจะเอาตนพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ได้แต่หากเมื่อไม่เข้าใจถึงเรื่องความแก่เจ็บตายและความทุกข์เหล่านี้ไม่พยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกนั้นย่อมไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อมีความปรารถนาที่จะไปนิพพานนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบาลีว่านัตหิเอเตหิยาเนติกาเซหิมีความหมายว่าถ้าจะไปนิพพานจะขี่ยานพานะอันใดไปจะไปโดยวิธีใดเช่นจะขี่เครื่องบินขี่เรือสัเภาหรือขึ้นรถไปก็ไม่ใช่ยานพานะที่จะพาไปนิพพานนั้น ก็คือตัวปัญญาสมาธิิและสมาสังกปะสองตัวนี้ที่จะพาไปมรรคผลนิพพานได้พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสไว้ว่านอกเสียจากทางเดินมรมีองค์8คือสมาธิิและสมาสังกปะสองตัวเท่านั้นทางสายอื่นหรือวิธีการอื่นในโลกนี้ที่จะพาไปสู่มรรคผลนผิพพานนั้นไม่มี ถ้าหากว่ามีใครก็ตามบอกว่ามีทางสายอื่นที่ดีกว่านี้จะพาไปมรรคผลนิพพานจะเป็นพระมหาป ร, ริยนเก้9หรือ8ปดประโยคเป็นเจ้าอาวาสพระครูยศใหญ่หรือเป็นผู้มีความรู้แค่ไหนก็ตามถ้ามาบอกว่าทางไปนิพพานมีทางสายอื่นนอกเหนือจากมรรคมิคงปนั้นแสดงว่าเขาเหล่านั้นได้พูดเทศแล้ว องค์ทรงรับรองไว้ว่ามีเส้นทางสายเอกสายเดียวคือมักมีองค์แปดคือปัญญามักสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปร์นำหน้าเท่านั้นจึงจะถึงนิพพานได้เมื่อเข้าใจและมีความปรารถนาจะเดินไปสู่พระนิพพานแล้วเมื่อเอาปัญญามาเจริญนั้นไปเจริญกับสิ่งใดจะไปเจริญในธาตุดินน้ำลมไป ซึ่งอยู่ในขันของเรานั้นหรือจเจรเนรูป28หรือไปพิจารณากับวิญญาณทั้งหเป็นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเมื่อมีการสัมผัสรู้ขึ้นมาก็สังเกตพิจารณาเข้าไปในนั้นจะเห็นความจริงอย่างนี้จึงจะสามารถเดินทางประสูม่มรรคผลนิพพานได้ขันนอกมีอะไร ก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหาเมื่อมีการกระทบสัมผัสก็เกิดมีความรู้สึกขึ้นมาโดยสมาธิฉิเห็นสมาสังกปะพิจารณาสิ่งที่เห็นแล้วให้พิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเมื่อพิจารณาเห็นให้เป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วก็จะสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เหตังตุงเหตหมายความว่าในการที่เราจะนั่งไปในยานสมาธิฐิสมาสังกปะนั้นปกติสาวกและอคราสาวกทั้งหลายถ้าหากท่านทั้งหลายนั่งไปบนยาณปัญญาสองตัวนี้โดยมีมัคก์อีกหตัวได้แก่สิลมัคกสามตัวสมาธิมัคกสามตัวเป็นกองหนุนแล้ว ทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายย่อมจะได้เข้าสู่นิพพานที่สงบเย็นอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ทรงดำรัสต่อไปว่าสัทธาสันตินิพพานังถ้าหากนั่งไปบนยาณมักมีองค์8อันมีปัญญามักสมาธิทิฐิและสมาสังกปะนำหน้าอย่างนี้วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งวันใดวันหนึ่งปีใดปีหนึ่งข้างหน้า ก็จะพาให้เข้าถึงพระนิพพานที่สงบเย็นอย่างแน่นอนสรุปได้ว่าจะอาศัยยานเช่นรถยนต์เรือต่างๆเครื่องบินเรือไฟยานพาหนะต่างๆในโลกนี้ที่จะนำพาไปถึงนิพพานนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยยานปัญญาสมาธิฐิสมาสังคปะนำหน้าแล้วมีมักอีกหตัวสนับสนุนไป ก็จะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้การที่จะเดินทางไปนั้นทำอย่างไรก็เอาปัญญาสมาดูเข้าไปพิจารณาเข้าไปในรูปนามใจในขันนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงคือเห็นว่ามันเป็นอนาาัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเห็นความจริงอยู่อย่างนี้ทุกๆวันไม่ช้าไม่นาน มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอายะเมวะอริโยอธังมิโครมโครรคเมื่อใดได้ขึ้นมานั่งบนยาณมรรคมีองค์แปดโดยมีสมาธิิและสมาสังกปะนำหน้าแล้วย่อมจะพาไปให้เข้าถึงนิพพานแต่ถ้าปัญาาแห่งศิล์สมาธิสองอย่างนี้ ไม่สามารถที่จะพาไปสู่นิพพานได้ในลวกปัจจุบันนี้ปฏิบัติกลับกันคือต้องเอาศีลสมาธิปัญญานำหน้าซึ่งส่วนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้สอนไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีและพิจารณาคำสอนของพระพุทธองค์ใหม่อีกครั้งว่าอยะเมวะ อริโยอัฏทังมิโคมัรโคทางสายเอกมีเพียงสายเดียวคือมักมีองแผนอันมีปัญญามัชศิลมัชและสมาธิมัชพระองค์ทรงตรัสว่าตุยเมอันตาปัพชินวะคือเมื่อใดได้เป็นบัพพชิตบัพพชิตคือผู้รู้จักขับไล่กิเลสให้หมดสิ้นไป ซึ่งโดยปกติเราเข้าใจกันว่าบัรพชิตคือนักบวชแต่ความหมายทางบาลีของบัรพชิตนั้นคือผู้รู้จักขับไล่และทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแน่นอนต้องเดินไปสู่พระนิพพานได้พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าณเ ส, สัทธาตุ้ยเมอันตา ทำสองอย่างนี้ไม่ควรยึดพึ่งพิงคือทมที่ไม่ใช่เดินบนเส้นทางมักเป็นธรรมต่ำเป็นธรรมที่นำไปสู่การตายเกิดไม่รู้จักจบสิน้นธรรมอันต่ำทั้งสองนั้นก็คือศีลและสมาธิการเอาศีลพนั น, นหน้าบํารุงบําเรอตนเองหรือ เอาสมาธินำหน้ามาบังคับทรมานร่างกายตนเองต่างๆนานาเช่นพวกฤาษีในอินเดียหน้าร้อนผิงไฟหน้าหนาวอาบหรือแช่น้ำแข็งนอนบนตะปูนอนบนน้ำภาวนาอยู่ไม่ลุกยืนไม่นั่งเป็นเวลานานเป็นปีๆเป็นอัตตะกิเลสวิโยก การทำอย่างนี้เพื่อให้มีพลังมีความอดทนการกระทาอย่างนี้ไม่ควรกระทาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้เมื่อไม่ให้เอาศีลและสมาธินําหน้าแล้วจะเดินบนเส้นทางไหนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปัญญาจงเอาปัญญาขึ้นมานำศีลและสมาธิถ้าทาอย่างนี้จะถึงนิพพานที่สงบเย็น ในการที่เอาปัญญามานำหน้านั้นแล้วเอาสินสมาธิมนุนตามขอให้กระทำต่อเนื่องกันไปทุกวันเมื่อทำอย่างนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็ย่อมเกิดขึ้นอุปมาอุปไมยสำหรับผู้เอาปัญญานำหน้านั้นเหมือนดั่งดวงเดือนโครจร อ, อยู่บนท้องฟ้าเมื่อเวลาที่ดวงเดือนโครจรไป ก็จะเอาดวงดาวต่างๆที่เป็นบริวารโคโจรไปด้วยชั้นใดสมาธินั้นก็เปรียบเหมือนดวงดาวเมื่อได้รับแสงสว่างแล้วก็สะท้อนกลับมาเป็นแสงสว่างแห่งดาวที่เป็นบริวารของดวงจันทร์ส่องสว่างและโคโจรตามกันไปชั้นนั้นบรรดากุศลที่เป็นผลบุญกรรมดีต่างๆที่เป็นกา ร, รมกุศล รูปกุศลอารูปกุศลรวมแล้วมีอยู่ส3บสามดวงกับโลกุตรกุศลคือกุศลที่พาให้ผลจากโลกอีกสี่ดวงรวมกันแล้วเป็นสิบเจ็ดดวงกุศลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมาได้ล้วนแล้วแต่เอาสมาธิธสมาสังกปะขึ้นมาดำหน้าเท่านั้นถึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได้ ที่ว่าปัญญาสว่างกว่าอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอโลโกอุตตปาติคือดวงตาตาญาณตาปัญญาอันเป็นแสงสว่างนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอโลโกพุทธปาติญาณคือปัญญาที่เข้าเป็นรวมโพธิปักิยธรรม37ประการรวมเป็นหนึ่งเดียว สัจจนิโรมักคือการรวบรวมมักทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวและตัดทำลายกิเลสให้ขาดไปนั้นย่อมเกิดขึ้นแกเราดังนี้คำว่าสัจจนิโรมยานหรือสัจจานิโรมยานนี้หาคนที่จะมาแปลหรือให้ความหมายนั้นมีน้อยมากสัจจนิโรมยานนั้นแปล ว, ว่ามักแปตัว โดยมีปัญญามรรคสมาธิฏฐิสัมมาสังกปะนำหน้าก็จะมารวมกันเป็นมรรคตัวเดียวที่จะตัดทำลายกิเลสให้ขาดลงและสัจจะนิโรมยานคือบรรดาโพธิปักฉิยธรรม37มประการมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมรรคเดียวที่จะตัดอัตตกิเลสให้ขาดไปสัจจะนิโรมยาน สัจจะอนิโรมยานและโอปัญยิโกธรรมเป็นตัวเดียวกันเพราะความหมายของคําว่าโอปัญญิโกธรรมในเมืองไทยแปลว่าเป็นสิ่งควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วน้อมมาใส่แต่ที่จริงแล้วความหมายโอปัญญิโกธรรมคือธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเอง เมื่อเราน้อมน้อมให้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเป็นธรรมส่งให้ถึงมรรคผลนิพพานเมื่อสัจจะนิโรมยานสัจจะอนิโรมยานและโอปนะนิโกธรรมสามประการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวรับเอาสภาพธาตุดินน้ำลมไฟอันใดอันหนึ่งเป็นแรงส่งให้ถึงนิพพาน ตรงนี้เรียกว่าปัญญาอุกกปาติวิชาอโลโกพุทธปาติวิชาได้เกิดขึ้นแล้วมีความหมายว่าเมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญาทำให้มรรคเกิดขึ้นผลญาณคือผลทั้งสี่มีโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลานาคามีผลและอรหัตผล ผลทั้งสอย่างนี้เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้ที่ได้เข้าถึงความเป็นอริยะทั้งสชั้นนี้ก็จะได้เสเวยความสุขเย็นในพระสมมาบินั้นอยู่สุขเย็นอย่างนั้นเรียกว่าวิชาอุทปาธิพระพุทธองค์ทรงได้สรุปว่าแสงสว่างแห่งปัญญาเลิศ ก, กว่าแสงสว่างใดๆในโลก ในจักรวาลความสว่างจากแสงเดือนแสงดาวแสงพระอาทิตย์นั้นก็ไม่สว่างได้เท่ากับแสงสว่างแห่งปัญญาดังนั้นเมื่อเราเอาแสงสว่างแห่งปัญญามาส่องนาหน้าแล้วก็ย่อมจะส่องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและพาไปถึงความสุขเย็นแสงสว่างแห่งปัญญาส่องสว่างไปเห็นอะไร ก็ส่องสว่างไปเห็นความเป็นอนิจจังคือการเกิดขึ้นแล้วดับไปตามสัพพสิ่งอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เห็นถึงทุกขังคือความทุกข์อนิจจังนั้นได้แก่การเกิดและการตายทุกขังนั้นได้แก่ความแก่และความเจ็บปัญญาอันนี้จะส่องสว่างเข้าไปเห็นถึงสภาวะอนิจจังและทุกขังนี้ล้วนเป็นทุกข์ และเห็นถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกคืออัตตาความเห็นผิดเห็นเป็นตัวเราของเราปัญญาที่ส่งไปเห็นนั้นคือปัญญาสมาธิทิและปัญญาอีกตัวหนึ่งคือปัญญาสมาสังกปะซึ่งพิจารณาว่ารูปธาตุนามธาตุนั้นเป็นของจริงเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตา ในบรรดาแสงสว่างทั้งสประการที่กล่าวมาคือจักขุอโลโกทัปติญานังอโลโกทัปติปัญญาอโลโกทัปติวิชาอโลโกทัปติสำหรับญาติโยมทั้งหลายแสงสว่างอันใดที่จะทําให้เกิดขึ้นก่อนคือจักขุคือดวงตาแห่งปัญญาสมาธิธ และสมาสังกปะทําให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจก่อนและเมื่อใช้เป็นจึงจะทําให้แสงสว่างแห่งปัญญาอีกสามตัวให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นตามละหลายคนจะบอกว่าการที่จะมาเจริญธรรมให้ตาปัญญาเกิดขึ้นนี้ถ้าบารมีไม่ถึงก็จะไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับบารมี ผู้ที่จะเกี่ยวกับบารมีนั้นได้แก่ผู้เป็นอัครสาวกมหาสาวกทั้งหลายท่านต้องบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้าเช่นอัครสาวกต้องบำเพ็ญบารมีมาถึงหนึ่งอสงไขยหนึ่งแสนกับถึงจะบรรลุธรรมส่วนมหาสาวกนั้นท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีมาถึง1นึ่งกับ ถึงจะได้บรรลุธรรมแต่บรรดาปกติสาวกและเราเราทั้งหลายไม่เกี่ยวกับเรื่องบารมีที่จะต้องบำเพ็ญสะสมมาเลยมันเกี่ยวกับปัญญาความวิริยะความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติเท่านั้นคุณสมบัติของปกติสาวกอย่างเราท่านทั้งหลายจะให้เกิดปัญญาสี่ประการให้ครบถ้วนในจิตใจนั้น จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้จึงจะทำให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาและเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้คือ 1. ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนมีอวัยวะครบ32ประการไม่เป็นใบ้เสียหูเสียตาและขาต่างๆเหล่านั้น 2. ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาคือได้พบปัญญามรรค สมาธิติสมาสังกปะรู้เรื่องของปัญญาทั้งสองอย่างนี้และมีมรรคอีกหตัวรองรับรวมเป็น8ดมรรคได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงการใช้มรรคนี้จึงเรียกได้ว่าพบพุทธศาสนา 3. ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เป็นผู้ที่สำเร็จธรรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งขึ้นไปจนถึงชั้นที่สีนั้น 4. ได้ศึกษาข้อธรรมคำสอนหรือวิธีประพฤติปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น 5. เอาข้อธรรมคำสอนเหล่านั้นมาใส่ใจมาพิจารณาหาเหตุหาผลหรือมาปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ6 ศรัทธาข้อธรรมข้อแนะนำและวิธีการปฏิบัติ 7. ลงมือปฏบบิบัติบนเส้นทางแห่งปัญญามรรคการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องเข้าไปรับหรือรเผชิญหน้ากับความทุกข์ญาณีทุกข์เมื่อไปเผชิญกับทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาสมาธิสัมมาสังกปะพิจารณาเข้าไปในก้อนกลุ่มของทุกข์เหล่านั้น เมื่อพิจารณาแล้วย่อมได้เห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ถอนเหตุแห่งทุกข์นั้นออกตัดเหตุแห่งทุกข์ให้ขาดไปและเราย่อมจะข้ามผลไปถึงสุขคือนิพพานได้วิธีปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนผิพพานนั้นเบื้องต้นให้ตั้งใจว่าจะปฏิบัติเจวันวันละแปดชั่วโมงใน56าสิบหชั่วโมงนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจสังเกต พิจารณาให้เป็นอนัตตาและสะสมความเป็นอนัตตาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าปฏิบัติเจวันวันละ8ดชั่วโมงยังไม่เกิดมรรคผลอะไรตั้งใจต่อไปอีกเจ็ดวันวันละสิบชั่วโมงปฏิบัติให้เต็มที่หากยังไม่พบมรรคผลอีกให้ปฏิบัติต่อไปอีกเจ็วันวันละ12สองชั่วโมง ปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อจะค้นหาอนาตตาให้พบถ้าหากทำปัญญายัางไม่เกิดขึ้นในใจเลยเมื่อนั้นแหละค่อยบอกว่าชาตินี้พระนิพพานคงไม่เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ได้ฝึกหรือปฏิบัติมาตลอดเวลาอันเข้มข้นถึงสามครั้งนี้ผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นคงจะติดตามไปในภพชาติหน้าให้ได้ประพฤติปฏิบัติ และให้ได้ถึงผลนิพพานในชาติหน้าด้วยทำไมการที่จะเข้าถึงนิพพานนั้นยากมากเพราะเราทั้งหลายได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในบาปอากุศลต่างๆสิ่งบํารุงบําเรอตนเองด้วยกามต่างๆมามากมายนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเคยชินอยู่กับการกระทำเหล่านี้ การที่จะมาถอนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเจริญปัญญามันจึงเป็นเรื่องที่ยากยากเพราะเราไม่เคยทำนั่นเองหากเราฟื้นใจขัดใจตัวเองละวางสิ่งที่เราเคยทำและมาเจริญธรรมให้เต็มที่จึงจะได้ผล ทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงขอให้ทุกทุกท่านเข้าใจแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปและขอรับรองว่าหากมีลักษณะทั้งเจ็บประการที่กล่าวมาแล้วนั้นมีครบถ้วนแน่นอนการที่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานย่อมเป็นไปได้สำหรับท่านเสมอและอาจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันชาตินี้หลวงพ่อบอกว่า ถ้าหากได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําว่าครั้งแรกเจ็ดวันวันละแปดชั่วโมงเจ็ดวันวันละสิบชั่วโมงเจ็ดวันวันละสิบสองชั่วโมงรวมชั่วโมงการปฏิบัติสองร้อยกว่าชั่วโมงหากมักผลนิพพานไม่เกิดขึ้นมานั้นก็คิดว่าไม่ได้แล้วแต่หลวงพ่อรับรองว่าถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกคนต้องใจเด็ดทําจริงจรงจั ง, จง ส่วนมากทุกคนที่มาปฏิบัติพอได้ครึ่งชั่วโมงเกิดเจ็บขาขึ้นมาก็อยากเหยียดขาอยากเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆทำก็จะไม่เกิดขึ้นได้หลวงพ่อกล่าวว่าทำไมหลวงพ่อจึงเอาปัญญาสมาธิธและสมาสังกปะนำหน้าเพราะ ปัญญาที่ว่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงส่วนสินลมักสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะเป็นสิ่งที่มีคู่กับโลกนี้ผู้คนเผ่าพันธุ์ทุกชาติมีสินกันทุกคนทั้งนั้นบางเชื้อชาติก็มีสิน5้าข้อสี่ข้อสามข้อ อย่างน้อยๆสินหนึ่งข้อก็ต้องมีถ้าไม่มีสินกันเลยโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เรื่องของสินห้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าเรื่องของสมาธิก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าผู้ที่เก่งในเรื่องสมาธิมากที่สุดก็คือลุสีพรามฮินดูทั้งหลายที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาฮิมาลัยเขาทำฌานต่างๆจนถึงฌานแป ก็ทำโดยพรามทั้งนั้นสมาธิก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าผู้ที่ประพฤติสินสมาธิมาก่อนนี้ถ้าดีจริงก็เข้ามรรคผลนิพพานไปกันหมดแล้วแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาคนพวกทางแห่งปัญญาถึงจะมีคนได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าการใช้ปัญญานําหน้าเป็นเรื่องของชาวพุทธ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบจึงนำมากล่าวเสมอทำไมถึงกล่าวว่าศีลสมาธิศาสนาเพราะเมื่อตัวศีลกับสมาธิมาอยู่รวมกับปัญญาถึงจะเกิดศาสนาเป็นศาสนาคำสอนขึ้นมาถ้าหากว่าศีลกับสมาธิแยกกันไปอยู่ต่างหากการเอาศีล น, นำหน้านั้นเป็น กามสุขาวิการิโยโคการบำรุงมตัวเองด้วยกามคือการประพฤติสินต่างๆการนำเอาสมาธินำหน้าไม่มีปัญญาประกอบเป็นอัตตะกิเลกถาวิโยโกเหมือนกับฤาษีที่ทรมานตนเองโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้จิตมีกำลังมีความอดทนเกิดฌานแก่กล้าต่างๆเหล่านั้น ในรูปนามใจตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราประกอบด้วยทุกข์สัจจะทุกขสัจจะก็คือสภาวะดินน้ำลมไฟซึ่งประกอบเป็นขันเป็นร่างกายของเราขึ้นมาส่วนหนึ่งเป็นความเจ็บปวดเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆเป็นสิ่งที่เรียกว่าอสส ป, ปะสังขารคือเป็นสิ่งที่อยู่ในภายใน และสิ่งที่มาจากภายนอกคือรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสถ้ามากระทบรู้ที่มโนวิญญาณมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้สิ่งที่มาจากข้างนอกเมื่อมาสัมผัสรู้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นวิญญาณรู้ขึ้นมาเมื่อมีวิญญาณรู้ขึ้นมาจากนั้นก็จะมีมโนวิญญาณคือใจไปรับความรู้สึก จากสิ่งที่มันรู้ขึ้นมาเช่นไปรับความเจ็บปวดยินร้อนอ่อนแข็งเกิดเป็นเวทนาทรสามตัวนี้คือทุกข์คือดินน้ำลมไฟวิญญาณหกประการและเวทนาหกประการทรสามตัวนี้รีฟาทุกขสัจจะหรือทมที่ทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือทำสามตัวนี่แหละในทำสามอย่างเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุมันเป็นอะไรมันเกิดจากโลภะทิฏฐิมาณะทิฏฐิโลภะทิฏฐิถือว่าเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ในเมืองมนุษย์มาณนะโลภะเป็นเหตุอันยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่โลกและอบายภูมิสี ถ้าเห็นโลภะทิฏฐิคือเห็นทุกข์ให้เอาสมาธิและสมาสังกปะพิจารณาว่าทุกข์ต่างๆไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าปฏิบัติอย่างนี้ตาตาก็ดับหายไปแล้วอนัตตาก็เกิดขึ้นมาแทนก็ได้เป็นนิโรธสัจจะแล้ว หลวงพ่อกล่าวว่าการปฏิบัติทั้งหลายได้บอกกล่าวให้แล้วและให้ไปฝึกปฏิบัติ ด, ดูถ้าภายในเจ็ดวันจะได้รู้ถึงผลดีผลงามนั้นแต่ถ้าไม่ปฏิบัติดูแล้วผลดีผลงามหรือการที่จะได้มัรผลนิพพานนั้นก็จะไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะได้